ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก่อนอื่นต้องขอแจ้ง แต่ก็หมายความว่าทบทวนกันได้ยาก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 de gasten hebben allemaal maat hagen is een goed hotel. Het is is een goed hotel. Het is is een goed hotel. Het is ik heb het niet gedaan, maar ik heb het niet gedaan. niet het Michael heb een paar pannen in de Ik heb een paar pannen de kant. Ik heb een in de kant. Ik de kant. Ik heb een ซึ่งเจ้าวาดตั้งเสาไว้ 8 ปีมี 8 ปีการก่อสร้างในช่วงแรกๆเท่าปี พ.ศ. 2511 ตระบะบาตในสารนั้นสวยกว่ามากต่อมาก็สร้างกุฏิตึกชาย พระอินทราเก่ามันโยเยมากเกรงจะ Vila die periode was hij de hoofdmanager, even deze periode was hij de hoofdmanager, nam de paarden mee, maakte de paarden mee, gaf de paarden mee, gaf de paarden mee, gaf de paarden mee, gaf de paarden mee, ik heb geen pijntje in de Ik zei dat Ik de alkan en wat ik ik ik นี่การก่อ 2517 แต่ 2516 ท่าน ดร. เดือนบุญนาคอดีตรองนายก น่าท่านก็บาทเป็นทุนเริ่มต้นสร้างพระโบสถ์ในงานจริงจังที่จะทําการก่อสร้างจริงๆเป็นเงิน ยังไม่และก็เดี๋ยวนี้สอกละสิบสองบาทไม่ยาง ก็ลงเทียบราคากันดูฉะนั้นราคาที่ 2517 ถึง 2532 จ่ายไปทั้งหมดค่าใช้จ่าย คือ 353 ล้าน 327,469 บาท 36 สตางค์นี่บัญชีก็จดเรียบร้อยเค้า จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นในการก่อสร้าง 353 ล้าน 327,469 บาท 36 สตางค์ แล้วนี้มาว่ากันถึงการรับเงินเงินนี้ได้มาจากไหนก็ต้องขอบอกว่า 1,97 ล้าน 8,334,993 บาท 75 สตังถ้ารับตามนี้ 155 ล้าน 492,475 บาทโซติเอสสตางแต่ความจริง มาถึงก็ใส่บาทบ้างมาถึงก็ไปเคลนบ้างใส่ท่องไปเคลนบ้างไม่บอกว่าทําบุญอะไรเอามารวมกันและอีกส่วนหนึ่ง 4 ประเภทคือ 1 าน, 2, คน, 3, ท, 4 ถวายไว้ใช้ส่วนตัว รวมแล้วได้เงิน 155,492,475 บาท 61 สตางค์ 2532 ไม่มีหนี้สิน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 เเต่ต่อมาก็มาคุยกันเรื่องวิหารเมเม 100 เมตรวิหาร 100 เมตรที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทราคาเอาราคาเยอะที่ 100 ล้านมั้ยครับบางท่าน 70 ล้าน บาง 30 ล้านมั้ยครับแต่ท่าน 30 ล้านท่านถามแล้วบอกสร้างไม่ได้แน่ๆราคา 10 ล้านเสร็จๆไม่ใช่ 30ๆ10 ล้านเสร็จๆเฉพาะตัว ราคาทั้งหมดรวม 7 ล้านบาทอีก 1,264,311 บาทค่ากระจกบาท รวมค่าหินอ่อนกับ 5,742,126 บาทแล้วต่อไป 3 ชั้น 3 กลุ่มหัว ดุษดิบัณฑิตปฐมคําว่าดุษดิบัณฑิตบัณฑิตกระถมปฐมก็เพราะว่าในสมัยนั้นวิชาการที่บังคับให้ ได้วดุษดีบัณฑิตช่างปั้นช่างสร้างทําความสวยงามกับนางจําเนญแก้วมณีปัญญาสามีเป็นช่างปั้น และเจ้าอาวาสเองก็เป็นคน ป. 4 เหมือนกันตอน 2528 กปส 2529 2 ปีนี้อาตมาเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดหลายไม่ดีไม่ แต่ว่าเวลานั้นได้คุณหมอคือ Grond kwam met de raf kwam de dat in ga een dan bijzat en mod mod ze paard in นอนนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นความจริงเรื่องพระพุทธเจ้านึกถึงก็อยู่ทุกวันนึกถึง แต่ไม่ใหญ่มาก 30 ศอกแล้วก็ 8 ศอกเชื้อ 30 ศอกสร้างแล้วกําลัง คือคุณ 6 ด้านช่อง 7 เวลาประมาณ 19:17 น. เป็นเวลา ท่านจัดเช็คมาถวายแล้วก็ถามว่า 100 เมตรด้าน แล้วก็จะทําหลังคา 4 เสาพอมีทั้งคา อาตมาก็คิดว่าเอาล่ะถ้าได้อีกแสนบาทแทน นะพระโส 6 เอ่อ 30 ศอกๆไม่อยากจะอยู่เพราะ จิตใจได้ชุ่มชื้นอยู่มันนึกถึงพระใจ สำหรับพระ 8 ศาลาเนี่ยเราจะสร้างที่ไหนกันดีถึง ไม่เวลานั้นกับพระก็จะ 40,000 ถ้าคิดเป็นงานแล้วก็ ก็ไปเชิญจ่าเพาะมาท่านก็ดีถ้าบอกไอ้เรื่องจะขายไม่เป็นไรครับ 24 ไร่ ik heb dat ik ben Maar die ik heb geleerd, toen ik ben nog wel een keer, ik heb een kom bij was zo, นั่งรถไปไปถึงที่ตรงนั้นก็ลงฉันจะแนะนําให้เมื่อทราบว่าอย่างไรก็ เมื่อไปถึงที่ต้นนั้นก็ถามนว่าพระจะสร้างตรงไหนครับท่านก็บอกว่าเอาตรงนี้ก็แล้วกันพระ แต่ว่าต่อไปข้างหน้า คนจะได้ไม่ทำลายพระองค์สารีรัตน์นั้นไม่เดินข้ามไปข้ามมาเอาห้องพระอยู่ตรงนี้และกำหนดตัวเป็นอาคารไม่ใช่ 28 เมตรเอา 100 เมตรพอท่านบอกอย่างนี้ก็ลม ลมขึ้นคือลมให้ใจออกขึ้นก็เป็นว่างงลมหายใจออกแล้วก็ลมลง เอาแค่เงินที่มีอยู่ก่อนอันดับแรกเรียกช่างมาตีผังกำหนดอาคารแบบนี้เป็น และตรงนี้สร้างพระพุทธรูป 8 ศอกอันดับแรกยังไม่ๆที่พระพุทธรูปจะ ตรงที่มีพระพุทธรูป ไม่หักโหมเกินไปในที่สุดก็สั่งช่างตีผังตามตามทําตาม 8 ศอกหน้า 8 ศอกทําบุญ พื้นก็ 2 เดือนพื้น 100 เมตรก็เต็มเป็นตัวอาคารภายในก่อนยังไม่มีเฉลียงหลังไปๆมาๆมาเห็นๆสร้างตั้งเสาสูงขึ้นเห็นว่าในช่วงแรกจะ พอถ้าจ้างมากจริง